พูดนับร้อยพันที่ตั้งการเอื่นเอยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันมือลายเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในใจ ้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ แ, <อเ>แล้วจากนี้ไปทุกเรื่องราวที่ได้ฟังคำพูดทุกถ้อยคำที่คอยย้ำเตือนใจไม่ว่าจะไกลสัก ใช้คำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปนราจะนี้ oh. oh. ันดร์เธอละฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความ I'm not the one who's lost. ใช้คำว่าสองเราไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะนาก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในใจให้ฉันกาวเดิ i t a f i d t e